โ อ, อกาสเพื่อนศรธรร ม, มิกและเจริญพรไปยังแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านฟังธรรมกันตามสบายไม่ต้องพงมือยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสารต่างๆเนี่ยเราสามารถรับชมกันง่ายแต่บางครั้งถ้าเราดูข่าวระวังใจผิดเราก็จะจิตตกทําให้จิตใจเศร้าหมองได้ง่ายเลยพีไปเจอข่าวไม่ดีเราก็จะเกลียดชังคนที่ทําไม่ดีแช่งชักหักกระดูก อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์เพราะสมัยนี้มีกล้องวงจรไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่รถอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราสามารถเห็นเหมือนกับเราอยู่ใกล้และอยู่ในเหตุการณ์อย่างเมื่อวานก็มีเครื่องบินตกที่ไต้หวันทานเอเชียแอร์เวย์มีผู้โดยสารเนี่ยก็เกือบ60คนเครื่องบินตกนี่เหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะถ้าเราดูวิดีโอคลิปเนี่ยเพราะว่ามัน อยู่ในกล้องว ง, วงจรปิดของรถที่วิ่งมาเนี่ยตกชนสะพานแล้วก็ห ล, ล่นลงน้ำคนที่นั่งในรถบ น, นทางด่วนเนี่ยก็คงจะเสียวพิลึกอะ่ะเพราะมันเหมือนเครื่องบินอยู่ๆก็วิ่งดิ่งลงมาหาซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่ทางเหตุได้เห็นเลยวันเหตุต่างๆเกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็มีอีกอีกรายหนึ่งก็ผู้หญิงเดินเข้ามาบ้าน งูจงอางมันแอบอยู่ในที่ข้า ง, างกระถางปลูกต้นไม้ผู้หญิงก็เดินเพลินนะงูจงอางเนี่ยก็พูกเขาฉกเลยแต่แต่ดวงของผู้หญิงคนนี้ไม่ถึงที่ตายงูจงอางฉกโดนแต่ว่าเพลินงูจงอางเนี่ยในปากคาบครั้งโคกอยู่จึงทำให้ฉกไม่เข้าเธอก็เลยลอดตายทั้งที่โดนฉกอสองครั้งคนเรานะถ้าไม่ถึงที่ตายอยู่ไหนก็ไม่ตายแต่ถึงที่ตายนะ่ยังไงก็ต้องตาย ที่คนเราในประมาทไม่ได้จะบางคนก็ถูกคนอื่นทำให้ตายก็มีอย่างอย่างข่าวช่วงนี้ที่คึอโคมก็พวกก่ออาลัายไอ i H, จับตัวประกันชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักบินจอแดนจับตัวประกันชาวญี่ปุ่นตัดคอแล้วก็เผาทั้งเป็นนักบินจอแดนซึ่งโหดเหี้ยมมากคนที่ชมข่าวก็แช่งแช่ง ดาประนามประโหดร้ายถ้าเราชมข่าวแล้วเราเอามาตรหนักถึงตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้อย่างบทส่วนบนที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา มีการพัดภาคจากของรักของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าเราคิดอย่างนี้เรากับได้ประโยชน์จากการเสพข่าวทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตแต่เราเสพข่าวเราไม่มีจุดยึดเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะเราก็จิตตกจิตใจเศร้าหมองเลยมันทีหดหู่รับแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งวันที่จริงเรื่องดีมีก็มีเยอะ แต่ว่าเราโดยทําชาติคนเรามันจะคิดทางลบไงมันก็เสพเรื่องไม่ดีแล้วก็ติดติดอารมณ์เลยบางทีเฮ้ยคนที่ทําไม่ดีบางทีจิตติดลามเป็นวันเลยนะแต่เรื่องดีๆจิตไม่ค่อยจําหรอกเรื่องดีๆคนทําความดีแล้วสาธุหรือเห็นสิ่งดีๆแล้วจิตใจเบิกบานเนี่ยอันนี้ทําได้ยากอะแม้ตัวอัตตาบาเอง ก, ก็บางครั้งจิตเราคิดไม่ดีคนอื่นปุ๊บเราต้องมาแก้ไขตัวเองแล้ว ว่าเราได้คิดผิดแลนนะเนี่ยเราต้องเป็นพระเราต้องจิตใจเมตตาต้องเป็นคนใจดีบางทีเราไปแก้คนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นเนี่ยบางครั้งก็แก้ไขได้บ้างแก้ไขไม่ได้บ้างเพราะแต่ละคนก็มีทิสัยแตกต่างกันไปเราเราถ้าเราไปเอาผิดเอาถูกเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทนัศนคติถ้าเรามองมองมุมบวก โลกก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่สุข ง, ง่ายทุกยากแต่ถ้าเรามองอะไรเป็นแง่ลบเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ทุกง่ายสุขยากเห็นอะไรก็ทุกขัดอกขัดใจไปหมดอะชีวิตไม่ค่อยมีความสุขหรอกอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนบางท่านก็มีปฏิปทามีประสบการณ์ที่เราสามารถเอานำมาใช้ได้ อย่างหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวะโลวัฒยปิกท่านก็เคยมีประสบะการณ์หลายอย่างที่คนอื่นทำได้ยากอย่างถูกพระนักเลงเอาไมได้สามตีจนเลือดอาบแต่ท่านก็มีสติไม่โกรธผู้ที่ตีไม่อาฆาตแค้นท่านพิจารณาว่าเนื้อหนังเนี่ยต้องเปอยเน่ากับอาศัย เหตุการณ์ร้ายเนี่ยเอามาดูตัวเองเอามาสอนใจตัวเองพอท่านไม่โกรธไม่อค่าคนที่ตีคนทีตีก็ดกจับศึกไพร์ตีแล้วก็มาขอเข้ามาท่านแต่ถ้าท่านคุมสติไม่ได้ไปโต้อตอบเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเปอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ยากสมัยพุทธกาลก็มีนางสามาวดี ถูกนางมาคันธิยาเนี่ยทำร้ายจนถึงเสียชีวิตโดยการเอาเอาไฟเผาคือต้อนนางกับกับบริวาเนี่ยไปขังรวมกันไว้แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันมาพันรอบพันรอบบ้านที่ขังแล้วจุดไฟคอกนางสามาวดีรู้สึกจะเป็นอภ า, าอริยะบุคคลด้วยก็เลยตั้งจิต ไว้ว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำกรรมอะไรไว้มีแต่ทำบุญกุศลน่าจะเป็นกรรมจากอดีตชาติก็เลยบอกให้นางเหล่าบริวารเนี่ยอย่าได้จองเวรอาฆาตคนที่ทำร้ายเธอพอทุกคนปล่อยวา่าปุ๊บก็ได้ไปรู้ทามกันหมดบางคนก็เป็นโสดาบันบางคนเป็นนาคา ม, มีก็มีอันนี้เขาเรียกว่าตายดีถึงจะ ถูกทำร้ายจนตายแต่วางใจผิด ก, ก็จะก็จะกลายเป็นแบบเป็นโทษได้อาจจะอาฆาตมาร้ายโคนที่กรรมมีการจองเวรก็จะไปทุกข์ที่ได้แต่ถ้า ถ, ถ้าถ้าวางใจปล่อยวางอโหสิกรรมเนี่ยก็ไปดีได้เหมือนกันนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้อย่างหลงหลงปูด่ดีเนาะอาตมาเคยเล่าบ่อยแต่งวดนี้ก็มีพระใหม่หลายท่านบางคนอาจจะไม่เคยฟัง ก็นำมาเล่าใหม่ได้ญาติโยมบางคนก็ไม่เคยฟังถ้าเคยฟังใครเคยฟังแล้วก็ก็ถือว่าฟังใหม่ก็แล้วกันเข้าใจยิ่งขึ้นแต่คนคนไม่เคยคนใหม่ก็อาจจะนําประโยชน์จากหลวงปู่ดินน่ไปใช้ได้หลวงปู่ปดินน่เป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่มั่นถ้าอยู่ที่จังหวัดอุดรเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านเนี่ยจะมองแง่บวกตลอด เวลาเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะอุทานว่าดีเนาะดีเนาะจนจนคนเรียกท่านว่าหลวงปู่ดีเนาะเพราะท่านดีเนาะจนติดปากอะไรอะไรก็ดีเนาะหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิมนไปฉันเพลและแสดงธรรมที่บ้านบ้านลูกศิษย์อยู่ไกลแล้วรถเนี่ยมันก็เสียมาไม่ทันคือมาสาย หลวงปู่ดี๊ดะก็รอแล้วรออีกรถก็ไม่มาท่านตั้งใจจะไปฉันเพลนที่บ้านของลูกศิษย์รู้ว่าลูกศิษย์ไม่มาแล้วก็เลยเอาอาหารที่ปิดบานมาฉันท่านก็ท่านก็บอกว่าฉันวัดเราก็ดีเนาะพราะฉันไม่ได้พี่กี่คำรถแต่ดดมาถึงท่านก็ต้องเลิกฉันท่านก็บอกไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะแล้วก็นั่งรถลูกศิษย์ไป นั่งรถไปได้สักพักหนึ่งรถก็ดันเสียอีกคนขับก็ต้องลงไปซ่อมหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะจะได้ชมอยู่ข้างทางลูกศิษย์ซ่อมแล้วล้ยเจอง่ายไม่ได้ต้องให้หลงเลยเชิญหลวงปู่มาช่วยเอเข็นหลวงปู่มาเข็นธรรมดาหลวงปู่ก็แก่แล้วอะ่ะอายุมากแล้วหลวงปูก่ก็พูดว่าก็ดีเนาะจะได้ออกกลังกาย ช่วยเขีย่ยจรถดติดรถวิ่งมาถึงบ้านก็เลยเวลาฉันเพลหลุงปู่ดีเนาะก็เลยอดฉันเลยฉันเช้าก็ไม่กี่คำมาถึงแต่ลุงปู่็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยเพราะขึ้นธรรมาทเทศพอเทศไปได้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ก็ชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อน ไปหยิบกระปุกผิดหยิบกระปุกเกลือใส่แทนน้ำตาลเพราะสีเป็นคล้ายกันระวังใกล้ๆกันรถปูฉันไปได้ก็ไม่ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะก็เฉยๆสักพักหนึ่งลูกศิษย์เห็นท่านฉันเหลือครึ่งแก้วก็มาขอมาขอกาแฟครึ่งแก้วเนี่ยเพื่อมาทานเพราะว่าตำดักแล้วคูบาจาที่เปเกจิเนี่ยของที่เหลือเถอะเป็นมงคลพอทานกาแฟไปได้หน่อยหนึ่งก็พ่นพวดออกมาเลย บอกเคปิปีหลวงปู่ฉันไม่ได้ยังไงหลวงปู่บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วเปลี่ยนเป็นฉันเค็มๆบ้างเราสังเกตหลวงปู่ดิลล้อเนี่ยท่านจะไม่ค่อยโกรธเลยเรื่องขัดใจถ้าจะบองโลกอย่างแง่ดีตลอดเมื่อจะเป็นเรื่องการรอรอคอยอดอาหารหรือหรืออย่างอื่นอย่างอื่นมีหลายเรื่องท่านก็เปลี่ยน จากเรื่องเรื่องที่ควรควรโกรธควรควรควรขัดใจเนี่ยมาเป็นเรื่องดีหมดเลยขนาดโจรมาปล้นท่านท่านก็อย่ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกบอกว่าเอ็งมาปล้นข้าก็ดีเนาะข้าเบื่อที่จะเฝ้าสมบัติบ้านนี้เต็มทีแล้วโจรมันก็มันก็ขู่หลวงปู่อยู่นะบอกว่าไม่ใช่แค่ปล้นต้องค่าด้วยเพื่อปิดปาก หลวงปู่ก็บอกว่าฆ่าก็ดีเนาะฆ่าแล้วแก่แล้วเบื่อดูแลสังขารที่เสื่อมโทรมโจรมันก็งงเพราะไม่เคยเจอคดเจอภาพแบบนี้ก็สงสารไม่ฆ่าพอไม่ฆ่าปุ๊บหลวงปู่บอกก็ดีเนาะถ้าเองฆ่าฆ่าเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับอายติดคุกหรือไม่ก็โดนวิสามันก็ฆ่าวิสามันได้ตายไปต้องตกโรอีก ผูกก็ให้เหตุผลโจรจนโจรเนี่ยเปลี่ยนความคิดไม่ป้นแล้วก็ไม่ฆ่าการมองโลกในแง่ดีของท่านช่วยท่านได้นะเพราะท่านไม่หวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยสมัยก่อนก็มีที่ประเทศญี่ปุ่นมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ฮากุอินอาจารย์ฮากุอินเนี่ยเป็นทีน่นับหน้าถือตาของ ชาวญี่ปุ่นมากท่านเป็นอาจารย์ของของจักรพัด้วยที่ใกล้ๆวัดท่านเนี่ยก็มีลูกสาวร้านขายของชำและลูกสาวบ้านนี่ยเกิดไปตั้งท้องกับหนุ่มๆแถวนั้นอะพ่อแม่พ่อแม่หญิงสาวก็ค า, าดคันด้วยแบบกลัวความผิดหญิงสาวก็ บอกว่าท้องกับอาจารย์ฮากุอินพ่อแม่หญิงสาวก็ไปหาอาจารย์แล้วก็ไปตอบว่าดา่าด่าด้วยคำหยาบต่างๆนาะนาะอาจารย์ฮากุอินท่านก็ลมดีไม่ได้ตัวตอบแล้วก็พูดอยู่สามคำอย่างนั้นเล้่พ่อแม่หญิงสาวด่าเสร็จแล้วก็กลับไปพอลูกสาวคลอดลูกก็นําลูกมาให้อาจารย์ฮากุอินเลี้ยง อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็รับเลี้ยงเด็กทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแต่ถูกใส่ร้ายท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็เลี้ยงได้ไประยะหนึ่งลูกสาวตอนแรกปรับปําท่านก็เกิดสํานึกผิดคือเกิดการร้อนใจก็เลยสรารภาพความจริงกับพ่อแม่ว่าท้องกับหนุ่มแถวแถวนี้ไม่ใช่อาจารย์ฮาคูอินพ่อแม่หญิงสาวก็ไปที่วัดเลย ไปขอเข้ามาท่านต้องนานอาจารย์ทาคุอินก็บอกอย่างนั้นเรอะท่านพูดอยู่สามคำแค่แหละแล้วพอแม่หญิงสาวก็นําหลานกลับไปเลี้ยงแต่ก่อนหน้านั้นชื่อเสียงของอาจารย์ทาคุอินป่นปี้หมดแล้วชาวบ้านก็ดินทามอกว่าท่านเป็นพระที่ไม่ดีชื่อเสียงป่นปี้หมดแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ไม่ยึดถือชื่อเสียงก็ใช้ชีวิตปกติไป พอตอนหลังเรื่องไม่ได้เป็นจริงชื่อเสียงท่านก็กลับคือเดิมเดิมอันนี้คือโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยคนเกียรติคนชังเราเนี่ยบางทีเราเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะเราจะสังเกตได้มีอาจารย์บางท่านก็เสียชื่อไปบางคนก็คนรักบางคนก็คนเกลียดสิ่งที่ทําได้ก็คือเราจะวางใจยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้ บางคนนีเวลายามชื่อเสียงลงดังเนี่ยโอ้โหคนรู้จักทั่วประเทศแต่ยามยามชื่อเสียงตกเนี่ยตรงข้ามกันเมื่อจะเป็นอาจารย์ยันตะพุทโธภาวนาพุทโธและอีกหลายท่านหลวงพ่อกเกษมน้ำหนาวเนนคําที่ไดชื่อมาเนี่ยก็แต่ละแต่ละคนก็ถือว่าผ่านจุดสุดยอดของความสำเร็จมาแล้วงั้นตอนนี้ก็มีธรมนนมธรมกายที่โดนถล่มแต่ธรรมกาย ล, ล้มยากทั้งที่ทั้งที่โดนถล่มมานานแล้วโลกธรรมก็เป็นแบบนี้มันมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสารเสริอ ม, มีดินทาถ้าเรายึดอะไรมากเราก็ต้องทุกข์อะเพราะส่วนมากไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราคิดเลยมันไม่เที่ยงเดี๋ยววันนี้ร่างกายเราแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะป่วยก็ได้ หรเกิดอบุบัติเหตุก็ได้ยังอัถบาเมื่อปีก่อนก็เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มแขนเกือบหักอะใช้เวลารักษาเป็นปีเลยเปนสิ่งทีเราคาดไม่ถึงกันผมไม่มีใครคิดว่าจะเกิดอบุบัติเหตุแต่ก็โชคดีน่าเรามาแค่ยังยังแค่แบบบาดเจ็บแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะถึงตายเลยก็ได้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลย อย่างที่อัฐบาลื่นล้มในช่วยตัวเองไม่ได้เลยมันลื่นแบบเร็วมากถ้าข้างหลังมีมีของมิคมหรือมีหินจะถึงตายได้เลยแหละความแรงที่ล้มเนี่ยถ้าเป็นคนแก่ที่เสร็จล้มขนาดนั้นยังโชคดีที่ตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็มีบางคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยเสียอนาคตไปเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวอย่างอาจารย์ฉัตชัชย ท่านเคยมีอนาคตที่สดใสก่อนที่ตกหลังคาท่านก็มีแบบมองว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าวาที่นู่นที่นี่เพราะตอนนั้นตอนนั้นกาลังลุ่งแต่เหตุการณ์เหล่าเนี้ยเราไม่สามารถเลือกได้พอท่านตกหลังคาปุ๊บสมองได้รับความกระเทือนมากแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองเอาสมองออกตอนนี้ท่านก็เลยความจําเสื่อมอนาคตที่ลุ่งโลดก็เลยกลายเป็นบทเลยความรู้ก็หายไปด้วยกลายเป็นคนละคน อะไรๆก็ไม่เที่ยงแล้วก็มีอีกหลายคนอาจารย์กำพลท่านก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อนาคตของท่านเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์เลยมีคนรักที่น่ารักท่านเป็นคนแข็งแรงเป็นอาจารย์สอนพะละหน้าตาก็ใช้ได้รับราชการมีการงานที่มั่นคงท่านท่านก็ตั้งใจาวาจะบวชถ้าบวชเสร็จก็จะแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่น พอถ้เกิดรูปบัติเหตุปุ๊บชีวิตท้าก็พลิกผันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นคนพิการแขนขาลีบชีวิตต้องอยู่บนรถเข็นแล้วก็บนที่นอนไม่สามารถเดินเหยื่อไปไหนมาไหนได้ถ้ากระทุกจนไม่มีทางออกความทุกเนี่ยบีบคั้นคนเราต้องหันหาธรรมะถ้าคนสุขเนี่ยจะไม่ค่อยหาธรรมะหรอกอย่างใน Facebook ของอนัมาที่ทําอยู่เนี่ย คนที่มีความทุกข์บางคนก็เขียนมาถามปัญหาก็มีแล้วเวลาตัวเองสุขก็เพลินไปไม่มาถามเลยหายไปเลยมีหลายคนที่รู้จักเลยเขาจะมาหาเราตอนที่ตอนที่เขาทุกข์แต่ช่วงที่เขาสุกก็ลืมเราบางทีเยาคบพักก็เพื่อปรึกษาเรื่องความทุกข์นี่เองเอาไปช่วยเป็นศิลานีเวลาอกหักเวลาคิด ส, สัน้นเวลาน้อยใจหมดกาลังใจมาเจอปัญหาพวกนี้บ่อยมาก จากกัมพลท่านก็ค้นฟ้าธรรมะจากหนังสือหลวงพ่อพุทธทาตุมั่งหลวงพ่อปัญญามั่งอาจารย์หลวงปู่ชามั่งคนทุกคนนี้ท่านก็เข้าใจปริยัติแต่ก็ยังใจก็ยังทุกอยู่เพราะว่าธรรมะที่ ท, ท่านค้นหาเนี่ยเป็นธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อไม่ใช่ของท่านธรรมะนี่เป็นเรื่องของใครของมันจนท่านมาพบกับหลวงพ่อมเขียนหลวงพ่อก็ให้กําลังใจคือเขียนจดหมาย มาถามถ้าหลวงพ่อเขียนตอบไปคนพิการก็ปฏิบัติทําได้ตรงนี้ชีวิตอาจารย์พลเปลี่ยนเลยพะมาปฏิบัติธรรมอาจารย์พลจึงค้นพบธรรมะ ต, ตัวเองตอนเนี้เริ่มดับทุกข์ได้เพราะทําให้คนอื่ น, นตัวใครตัวมันดับทุกข์ไม่ได้ให้กันไม่ได้เลยอย่างพวกญาติโยมเนี่ยก็ถือว่าโชคดีได้มาวัดมาปฏิบัติธรรมมาเจอกิริยามิตรที่ดีมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อ มีอาหารมีดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมมีที่พักที่สามารถปิดวิเวกได้เราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบยเวลาผ่านไปผ่านไปที่เราก็ประมาทนะเ่าะความตายความเจ็บป่วยอาจจะมาหาเราได้ทุกเมื่อเลยแต่คนใช้ชีวิตแบบละเมอละเมอจนไม่คิดว่าตัวเองแก่ ไม่คิดตัวต้องตายก็มีอีกเยอะแต่บางคนได้ข่าวคนตายหรือเห็นคนเจ็บคนตายเนี่ยก็เกิดฟารมสลดใจทันทีแต่บางคนไม่สลดนะเดี๋ยวก็ลืมแนละ้วนอกจากตัวเองอนะป่วยญาติพี่น้องตัวเองป่วยหนักหรือญาติพี่น้องตัวเองตายเนี่ยถึงเริ่มสลดใจขึ้นมาหน่อยหรือไม่ตัวเองเนี่ยล้มหมอนนอนเสือ่อทเองถึงจะเริ่มสลดใจว่าเราต้องตาย แต่ก็สายซะแล้วผู้คนนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำต า, ตาก็มีอีกเยอะนะที่จะมารู้จักในวัดเนี่ยจะมีจะมีพวกไม่ประมาทแล้วก็มีพวกที่ลืมหลงโลกหลงโลกนี่ช่วยไม่ได้หลงโลกแบบว่าไม่ไม่คิดถึงเรื่องธรรมะไม่คิดถึงเรื่องตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบสนุกเพิ่เจอเป็นวันหนึ่งก็มีหลายคนอยู่อันนี้อยู่ทีตัวใครตัวมันถ้าเราหลงเนี่ยหลงมากเนี่ยเราก็จะประมาทเราก็ไม่ปฏิบัติธรรม ไม่ขนขวายสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่แบบละเมอละเมอเป็นวันหนึ่งเดี๋ยวตอนเดี๋ยวก็ผ้าทิศตกดินละเดี๋ยวก็วันใหม่ในสมองคิดแต่เที่ยวดูน่นเที่ยวนี่ถ้าประมาทบางครั้งก็สายเกินไปเพราะคนที่เจ็บเวลานานมากไม่สามารถปฏิบัติทําได้คนที่ป่วยนี่ก็ปฏิบัติทํายากอย่าง น, นมาไม่กี่วันก็ป่วยถ้าเราป่วยเองเราจะเห็นเลยนะว่า ถ้าคนอื่นป่ยวยเราจะเฉยๆนะถ้าเราป่วยเองเราจะเข้าใจเลยคนป่วยเนี่ยไม่อยากทานอาหารหรอกอาหารเข้าปากบางทีมก็กินไม่ลงกินได้นิดหน่อยงั้นการที่คนเราเนี่ยสามารถกินได้ถ่ายข้องหลับสบายเนี่ยอันนี้คือสุดยอดชีวิตละแล้วใครทําได้สามอย่างนี้นะแต่ละวันเนี่ยกินก็ง่ายกินได้ถ่ายข้องหลับสบายเพราะคนก็นอนไม่ค่อยหลับนะวิตกกังวลมากเครียดแบกงาน แบกภาระต่างๆรู้จักปล่อยวางบางทีภาระตัวเองก็มากก็แล้วไปแบกภาระคนอื่นด้วยไปรับเรื่องคนอื่นมาแล้วก็มานั่งทุกข์ก็มีมีเยอะนะที่คนคิดแบบนี้เรื่องตัวเองก็มากพอแล้วแต่บางคนก็รับเรื่องมากได้แต่ไม่ค่อยแบกบถึงเวลาก็เลิกก็เลิกยิ่งถ้าเป็นคารวะคนทํางานเนี่ยวางแผนเรื่องงานกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหรอกกลางคืนเป็นฟันกลางวันก็เป็นไฟกลางวันเราต้องทาให้สมปัติหนาที่เราคิดวางแผนไว้มลางคืน ก็คือก็วางแผนต่อชีวิตยิ่ผ่านไปแบบไร้ค่าเลยเพราะมุ่งแต่หาวัตถุหาทรัพย์สมบัติอย่างมีคนเคยถามองค์ดรามะว่ารู้สึกแปลกใจอะไรกับบวนมุษยชาตองค์ดรามะก็ตอบว่ารู้สึกแปลกที่คนเราเนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็ยอมสูญเสียเงินตาเพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพ และวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะลืมความสุขที่อยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่มีวันตายและเขาก็ตายไปแบบเหมือนกับไม่มีชีวิตอยู่จริงคำพูดที่องค์ดาลลามะพูดเนี่ยถ้าเรามาคิดดูเนี่ยพระองค์พูออพดพูดเนี่ยจะจะคล้ายกับชีวิตของคนเราเนี่แหละบางคนที่ลนหาเงินจะลืมดูแลสุขภาพ แลเสร็จแล้วก็เอาเงินนั่นแหละมารักษามารักษาตัวเองให้หายป่วยแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องว่าตัวเองต้องตายแล้วก็เฝ้าแบบคิดแต่เรื่องอนาคตที่ทำงามไม่ถึงต้องไปอย่างโน้นไปอย่างนี้วิตกกังวลต่างๆ่นานาบางเรื่องก็ไม่จริงบางเรื่องเราคิดเราเองแค่เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนเป็นมุมมอ ง, มองบวกแบหลวงปู่ดิโ น, น่เนี่ยเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ถ้าเราเอาผิดเอาถูกปุ๊บก็เกิดปัญหาแล้วเอาเหตุเอาผลความคิดของเราจึงเชื่อไม่ได้นะบางที เชื่อไม่ได้หมดหรอก ม, ม, มันปรุงแต่งล่วงหน้าเราไปเผื่อเชื่อที่เสร็จเลยความคิดเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่มันดูเหมือนว่าจริงนะสามารถทำให้โกรธเกียดโกรธถึงขั้นทะเลาะวิวากันได้อาฆาตมาลาัยกันได้แต่เราเข้าใจดีบ่อยๆถ้าคนมีสติมันก็ตัดเร็วแต่คนไม่มีสติเนี่ยมันก็ไม่ตัดนะมันก็ปรุงแต่งนานเหมือนกัน แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะเราก็สามารถธรรมะช่วยได้ธรรม ะ, ะเหตุผลก็ช่วยได้อยู่นะแต่มันช้าเพราะความโกรธ ไ, ไม่ดีนะต้องมีเมตตาก็ช่วยได้ช้าหน่อยแต่ถ้าเราเจริญสติสร้างความรู้สึกตัว บ, บ่อยเนี่ยพอคิดโกรธมันก็ตัดได้เร็วสิ่งที่พวกโยมกำลังทําอยู่ก็ช่วยได้สติฝาสึกตัวไปได้มามันก็ใช้ไม่ทานการเหมือนกันแล้วก็ต้องทําบ่อยๆทํำจชำนชํานาญเวลาเผือคิด เรื่องไม่เกิดหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อนาบาก็เคยตั้งใจไว้ว่าจะไม่เสียน้ำตาแบบให้กับหลวงพ่อเขียนธนาก็ทําได้หลวงพ่อเขียนธนาก็ไม่หลังน้ตายท่านเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เราก็ไม่รู้นะว่าพระคนอื่นหรือคนในวัดหลังน้ำตายหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงพ่อคงไม่แฮปปี้หรอกถ้าว่าลูกศิษย์มาสีน้ําตาให้ท่านหรือมาเศร้าโศกเพราะหลวงพ่อมองว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายเราต้องฝึกสติควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์เวลาเสพข่าวสารต่างๆไม่ไปโกรธไปเกลียดหรือไปจิตเศร้าหมองกับเรื่องที่เราเสพอันนี้ก็ช่วยได้เพราะโลกนี้เป็นเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสารจะเร็วมากถ้าเราเสพเป็นเราเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ได้อย่างอย่าง Facebook เนี่ยจะมีเรื่องดีๆเยอะเยอะมากเรื่องความรู้หรือประโยชน์ต่างๆเนี่ย ถ้าเสพไม่เป็นก็ไปเสพทางกิเลสก็มีกิเลสข่าวสารยัย่วยุทางการมลลมก็มากแต่ธรรมะสบายที่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ลงเ Facebook มากหรือเสียงธรรมต่างๆเร็วมากเลยมันอยู่ที่เราจะเลือกเสพสิ่งมีประโยชน์หรือไ ม, ม่ประโยชน์เราทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถไปอาจารย์เราได้หมดอย่างเมื่อคืนที่เรามาปวดเปิดของอาจารย์กัมพลนะี่ยเลือกครูสอนธรรมเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมสถานที่ต่างๆ เป็อาจารย์สอนทานเราได้ใคราำให้เราโกรธใครทำให้เรารหรงุดหงิดขัดใจเราก็มาดูตัวเองเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนเราเปลี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงข้างนอกได้หรอเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงใจเราได้คนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะเปลี่ยนแปลงได้คือจิตใจเราเองอล้เราก็ต้องสอนตัวเองก่อนหลวงพ่อพุทธทาบอยู่ก่นหนึ่งก่อนมองถูกทุกข่ายมองอะไรมองเห็นไปครูสอน มองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอการมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นไปอย่างที่เราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอยากคุ้มค้ั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยนายให้มันสอนจะถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คายสลายเอง อนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาข อ, ข, อขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่เพื่อศาสนมิกและญาติที่ทำทุกท่านขอจบตรงแค่นี้